ธรรมชาดกแผ่นที่ส0บลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19มกราคม2557 ม, มีชื่อเรื่องว่าวินัยทรสอนธรร ม, มะกะถึกประพรมน้ำพระพุทธมนพรปีใหม่นะ ล้างความหายณะถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งเขาว่าล้างความซวยเมื่อปีที่แล้วล้างมันสิ่งที่มันไม่ดีออกนะรับแต่สิ่งที่ดีประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นชริปนเป็นมงคลเพราะน้ำพพุทธมนต์เป็นชัยยมงคลคาถาชัยยะมงคลเป็นมงคลที่เป็น ชัยชนะสึงความชั่วออกจากกายวาจาใจของพวกเรานะเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับคณะสัทธายาตโยมลูกหลานของโรวงพ่อทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมและก็ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกอย่างนะแต่ถ้าว่าปรารถนาไม่อในสิ่งที่ไม่ไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมเอเออไปคายาเสพติดของผิดกฎหมายอย่างเนี้ยอแล้วไปทํำผิดศีลธรรมอย่างเนี้ย่หลวงพ่อประพรมน้ําพุทธมนต์ให้ไม่ให้สําเร็จนะเอ <c oughs> เอถ้าสิ่งไหนก็ตามถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมฮ ให้สําเร็จสมความมโมาะปราถนาของทุกๆท่านที่หลวงพ่อประพรมน้ําพุทธมนต์ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทย า, าติโยมทุกๆท่านอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบว่าตั้งแต่ออกพรรษามาเนี่ยหลวงพ่อโอ้โหปีนี้นะมาอยู่ที่วัดป่าพิเศกวัฒนาลามวัดหลวงปู่จามเดือนกว่านพี่น้องลูกหลานคณะสัทยาธญญิโยมนะทำงานเนี่ยโอ้โห ไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรว่างั้นเถอะไม่รู้ว่ารพระไม่รู้ว่าศรัทธายาดโยมไม่รู้ว่าหัวหน้าส่วนรัชการหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นผู้บรรชาการก็ใจเป็นลูกน้องก็ใจเป็นอะไรตักหมดทุกอย่างว่างั้นเถอะอยู่ในนั่นนะแต่ผลงานออกมาก็เป็นที่พอใจโรงทานทั้งหมดประมาณพันหนึ่งร้อยกว่ารงนะรงทานนะ พระสงฆ์ที่จดทะเบียนไปน่ะแปดแปดพักว่าที่วันที่มันที่หเนี่ยจดไม่ทันนะ่ะนะเพราะหลังเข้ามาเนะี่ยอันนั้นแต่ดูๆแล้วเขาบอกว่าพระในวันนั้นอนะ่ะประมาณหมื่นกว่าองค์งานหลวงปู่จามแล้วก็คนเนี่ยประมาณกากากันประมาณแสนกว่าป่ะนะแต่เปรียนเทียบกับหลวงตาแล้วก็ยังน้อยกว่าหลวงตาเยอะนะ น้อยกว่าลวงตาเยอะแต่ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเรียบร้อยลาบลื่นดีเรียบร้อยลาบลื่นดีทุกอย่างงานของหลวงปู่จามแต่แปลกแปลกก็คือทางทางภาคเหนือเขาทำนกขัดจีรีลิงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเออตกขัดจีรีลิงมาอย่างไงคือหลวงปู่จามนี่พอท่านบวชมาเมื่อท่าน สมัยก่อนท่านเป็นเนนของหลวงปู่มั่นนะปู่จามเลยนะเป็นเนนของหลวงปู่มั่นบวชเมื่ออายุ14ปีเป็นหมูเพื่อนกับหลวงปู่ชิมปู่ชิมพุทธจยาโรธรรมพระปองนะเป็นมูเพื่อนกันเป็นผููไทยด้วยกันนะแต่ปู่ชิมเนี่เป็นเนนใหญ่ปู่จามเนี่เป็นเนนน้องเมือนน่ะสิกับ14บสี่ปีเนะ่ยท่นี้ก็ท่านพอบวชเข้ามาแล้วสมัยนะั้นเขาเรียกว่าเป็นโรคเน็บชาเนบชาเนี่ยคือเป็นโรคร่อย หมดกําลังไ ข, ข้ขาวขาดขาดขาดวิตามินวิตามิน B นะีหนึ่งถนทวารทุกวันนี้นะลว่าแข็งขาเนี่ยหมดกําลังแต่นั้นพอทะนั้นก็นเลยสึกลาสึกขาเมื่ออายุ18 19ปีพอลาสึกขาออกมาแล้วก็พ่อพ่อกับแม่นมเนี่บวชป่ะเนีโยมปู่ก็โยมย่าของหลวงพ่อนเนี่บวชเลยโยมย่าเนี่บวชเป็นแม่ชีแต่อายุสามกว่าแล้วก็โยมปู่เนีย่ย บ, บวชได้6ปี โยมปู่ก็ได้จากไปมรณะภาพนะแต่หลวงปู่จามเนี่ยก็เลยเป็นผู้ดูแลพวกน้องๆพ่อโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยเป็นพี่ชายใหญ่ก็ออกครอบครัวไปอีกไปตั้งครอบครัวอีกแล้วหลวงปู่จามก็เป็นผู้ดูแลพวกน้องๆทั้ง7 8็ดดคนแต่นี่นก็หลวงปู่จามก็อายุ29ปีเป็นหนุ่มใหญ่เลยท่านเลยจะแต่งงา น, เ, นเขาบอกแม่เป็นแม่ชีคุณแม่ครับ ผมคนจะได้แต่งงานามีครอบครัวกับเขาบังฮะทางแม่ก็เลยบอกว่าเออลูกเอยถ้าแต่งงานาแม่ก็เห็นด้วยじหรอกยินดีด้วยแต่ถ้าหาว่าลูกบวชนะแม่จะยินดีมากกว่ า, าถ้าลูกบวชแม่จะยินดีดีใจมากกว่าเออเอาอย่างนั้นเหรอคุณแม่ใช่ถ้าอย่างนั้นผมจะบวชให้เพางั้นจะแต่งงานแล้วนะ อ้าวเขาจะไม่ปรับไม้ใส่โทษแล้วอ้าวปรับไม้ก็ให้เขาปรับแล้วสมัยนั้นค่าสินสอดนี่สิบาทใช่ไหมล่ะเขาก็เลยปรับเอาหบาทท่านนั่นหลวลปู่จาง ก, ก็เลยบวชเลยบวชเมื่ออายุ29ปีพ่อบวชเสร็จแล้วท่านก็ไปทั้งเชียงใหม่เลยท่นเลไปอยู่ทั้งเชียงใหม่30สิบกว่าปีนะท่านไม่เคยกลับมาบ้านเลยพราก่อนบวชแม่ก็บอกนะเลยลูกเอ้ยออคูบาไม่ต้องห่วงแม่เนาะ เพราะว่าลูกแม่เดี๋ยวปีทั้ง8ปดคนครูบาไปองค์เดียวไม่เป็นไรหรอกพวกน้องๆพวกพี่เขาดูแม่ดูแลแม่ได้เพราะว่าลูกก็ไปแต่ตามลําพังพี่น้องเขามีไร่มีนามีลัว้วมีสวนทํามาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ไม่ต้องห่วงครูบาจะไงจะพ้นทุกขในวัฏสงสารไปเลยไม่ต้องห่วงหลวงปู่จามก็ไปเลยหรือไงเถอะ ไปไม่เีไม่เหลียวหลังเลยตั้งสามสิบกว่าปีนะออพอในสุดทางโยมทางเชียงใหม่เขาก็ถามว่าออท่านอาจารย์เจ้าท่านอาจารย์มีมีแม่มีป่อยังอยู่บ่อสิ น, นะยังโยผมว่านะเอาเขาเขาจะไม่คิดถึงท่านอาจารย์เจ้าเหรอคุณแม่นะเออไม่เป็นไรหรอกท่านไม่ให้ไม่ให้คิดถึงคุณวันเลยแม่ไม่ให้คิดถึงเพราะคนอื่นเลี้ยงดูความมีอยู่แล้ว เออว่าบไม่ใช่แล้วท่านอาจารย์เจ้าถึงยังไงก็ลูกตัวเองเยต้องคิดถึงอท่านอาจารย์เป๊กไปเยี่ยมแม่ก็ดีนั้นเดี๋ยวจะตีตัวเครื่องให้โยมเชียงใหม่ก็เลยตีตัวเครื่องให้ทนี่ลงมาก็มาลงมากรุงเทพมังเทศก็ได้ตีขึ้นไปนครพนมสมัยนั้นเป็นสมัยทหารอเมริกันไปรบเวียดนามเขามีเครื่องบินไปลงที่นครพนม หลวงปู่จามก็เลยไปหลงนครมันก็ตีตัวให้3เดือนนะอายุ3เดือนจากนั้นทขาก็เลยไปเยี่ยมไปเยี่ยมโยมแม่สาปีนะลูกหลานนะไม่ใช่ธรรมดาในหะลวงปู่จามเลยพอทีนี้ก็พอไปถึงเพอไปถึงไปถามไปถามน้องชายเป็นผู้ใหญ่จูมเนะี่ยไอผู้ใหญ่จูมที่หลวงปู่หลวงตาพูดถึงบ่อยๆนะเพราะว่าหลวงตาพูดถึงผู้ใหญ่จูมเนีแหละที่พ่สั้นไปอยู่ห้วยทรายหลวงตาไปอยู่ห้วยทรายเลยท่านบอกว่า ผู้ใหญ่โจมเนี่ยนะไอ้ไอ้ไนายอำเภอนายอำเภอเหมดังดังดังบี้นะหลวงตาว่าดนะดังดังแมบนะดังบี้ผู้ใหญ่โจมเนี่ยแต่งตัวเหมือนข้าหลวงแต่เขียนหนังสือเหมือนไก่เคียหลวงตาเคยพูดนะพวกเราได้ฟังเทศหลวงตาหลวงตาจะพูดอย่างนี้แหละอันนี้แหละคือผู้ใหญ่โจมเนี่ยน้องชายของหลวงปู่จาม เนน้องน้องของยงพ่อเนี่ยอท่านจะดิดกับหลวงตาเลยแต่นี้ท่านเขามามากระถามน้องชายนะไ อ, อ่พ่อใหญ่โจมพ่อยิ้มอยู่ไหนพ่อหลวงชายเป็นอ้าวอาจารย์มาตัวเนี้เหมอออือนกะันออาอ่าพอนี่ยพูดแล้วก็ดีใจลนเลยท่นี่งก็ลงไปหาคุณแม่คุณแม่บวชมาที่สาสิบกว่าปีเลยเด้แม่ของหลวงปู่จามเนะี่ยเป็นแม่ชีเนะี่ยบวชที่สามสิบสองปีละพอลงไปท่ น, นี่ง พอไปเห็นพอได้ยินว่าอาจารย์จาม่าแม่เหมือนเออฮะไพ่ก็อาจารย์จาม่าพ่อได้ยินว่าว่าอาจารย์จามเท่านั้นแหละผู้แม่เป็นแม่ชีเนี่ร้องไห้โอ้ดีใจคนดีใจก็ร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้วกหลวงปู่จามวะเฮ้จะไปร้องไห้ไม่ได้เดี๋ยวกลับไม่ขึ้นกุฏิเทวันนั้นจะขู่แม่อีกต่างหากว่างั้นเหร อถ้าว่าจะร้องร้องให้จะได้จะไม่ขึ้นกุฏิเ อ, อท่านจะกลับไปกลับไปแล้วงั้นผู้แม่เนี่กลัวลูกชายจะกลับหายเงียบป๊บเหมือนกับเหมือนกับเด็ ก, เ ห, ก, เ, หกเหมือนกับเหมือนก็เด็กร้องให้แล้วจะยินผู้ใหญ่ไม่ให้ขนมอย่างนั้นแล้วงั้นเถอะหายเก็บเลยคุณแม่จากนั้นก็ล่องปู่จามก็ขึ้นไปเดิน ก, ก็ไปก็ไปไ ป, ไปเห็นแม่อ อ, อายุถึงจะเข้าเจ็ดสิบกว่าแล้วทะานเนี่ยนี่แหละ นี่แหละหลวงปู่จามท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่แต่เ น, นท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่ท่านก็ไปเทศอบรมพี่น้องประชาชนชาติชายาจมในจังหวัดเชียงใหม่แต่เ น, นท่านก็มาที่ลําปางพ่อเลี้ยงหลวงพ่อของหลวงเนี่ยแหละหลวงพ่อไผ่บูนพะยานี่นะเจ้าคุณไผ่บูนพยาเนีนะ่เป็นลูกศิษย์ของพ่อเลี้ยงเป็นลูกของพ่อเลี้ยงลูกศิษย์หลวงปู่จามว่ะนี่ ลงปู่จามไปเทศให้พ่อท่านฟังจากนั้นพ่อท่านก็โอ้เป็นลูกศิษย์ลูกหาลงปู่จามไปที่ไหนติดสอยห้อยตามนับถือเลื่อมใสพ่อต่อมาพ่อของท่านพ่อหลวงพ่อไพบูร์ก็เลยตายหลวงพ่อไพบูลนั่นกระบวถพ่อบวชแล้วไม่ศึกเลยหลวงพ่อไพบูลพะเยานะจนใด้เป็นเจ้าคุณเทพกรทั่งทุกวันนี้แหละพอจากนั้นท่านก็พอล้งปู่จามมรณภาพ ท่านก็บอกว่าพ่อของท่านเนี่ยเคารพหลวงปู่จามอ่านี่แหละสาเหตุที่มีนกอัจติิลิงนะพ่อของท่านเนี่ยเคารพหลวงปู่จามแล้วก็ท่านก็ท่านเจคุณเนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากพ่อพ่อเป็นผู้แนะนำํำสั่งสอนเรื่องศีลธรรมจนได้บวชบวชแล้วไม่ศึกกระทั่งทุกวันนี้เจคุณภัยบูนจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าคณะภาคทางภาคเหนือนะอ่ะท่านก็บอก พอหลวงปู่จามารณภาพเสร็จแล้วท่านก็เออหน้าเจ้าอันเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของภาคเหนือไปแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาในงานศพของหลวงปู่จามออก็เลยไปพูดกับเจ้าอาวาด์ประท้เจ้าวา่าก็เลยบอกว่ารับก็สุดแท้แต่ท่านเจ้าพลจากนั้นท่านก็เลยเอาให้ช่างออไปทำทำเป็นนกหัดเสดีลยง เ, ออเข้าไปออไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่ย ไปใครก็ว่านกหัดตรีลิงเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยถ้าว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเกจิอาจารย์ใหญ่โด่งดัง เ, เขาจะทํานกหัดชดีลิงเป็นเครื่องเชิดชูบูชาหรือว่าพวกไหที่เป็นพ่อเลี้ยงใหญ่ที่มีฐานะดีเป็นคนรวยในท้องถิน่นเป็นคนรวยในแถบนั้ น, เ, นเวลาจะประชุมเพลิงพระราชทานเพลิง เขาจะนกทำนกขัดเจดีลิงนี่แหละเป็นสนัญลักษณ์เป็นเครื่องบง่งบอกว่าเป็นโคบมีฐานะดีเป็นคนร่ํารวยเป็นคนกว้างขวางในพื้นทีะนะ่นี่แหละเขาก็เลยทํานกขัดเดีลิงมาถวายหลวงปู่จามนะอพ่อก็ทําอู้ก็ดี ด, ดีเห็นหลวงพ่อเขาไม่เคยเห็นเป็นเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะนกขัดเจดีลิงลืมตาได้ตามตาบ้าใหญ่ เออแล้วก็มีงวงอีกต่างหากมีไงอีกต่างหากหัวช้างใช่ไหมหูก็หูช้างใช่ไหมเออเวลานั้นมันเข้าไปมันลืมตามันมองซ้ายมองขวาได้อีกว่างั้นเถอะเอองวงมันกันเนียควานู้นขวานี่ได้อีกว่างั้นเถอะแต่ที่ไหนได้เข้าไปอยู่ข้างใ น, นมีคนเข้าไปอยู่เกือบสิบคนนคั่นแหะไปชักใหญ่อยู่ไปชักใหญ่อยู่ในท้องนกขากจะดีเลี่งว่างั้นอเอะอคืออยจะให้มันลืมตาชักตัวไหนว่างั้นเถอะอยากจะให้มันงวง มันไหวแล้ชักตัวไหนว่า ง, งั้นเถอะคนเขาอยู่ข้างในวันนั้นนะแต่ทนีนี้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะนกขัดจีีลิงเนี่มันมีจริงหรือเปล่านกขัดจีีลิงเนี่ยในพระไตรปิฎกนะมีนกขัดจีรีลิงในพระไตรปิฎกมีคือสมัยหนึ่งพระเจ้าเมืองอุดเชนีอุดเชนีก็อยู่ในในแคว้นของอินเดียนั่แหละ เ, เมืองอุดเชนี เรียกว่าพระเจ้าอุเทนนี่แหละหน้าหนาวอย่างนี้แหละมีปราสาทอยู่ในเมืองอุชเชนีน่ยปราสาทเก็ชั้นอยู่ในมหาราชวังแต่นี้วันหนึ่งมันหนาวพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอุเทนกับอัคคมเหสีขึ้นไปไปตากแดดอยู่ข้างบนปราสาทเก็ชั้นอยู่ชั้นสูงสุดแต่นี้พระเจ้า นางอัคคมเหษสีเนี่ยห่มผ้ากำพลสีแดงผมตุ้มผ้ากำพลสีแดงเพราะมันหนาวใช่และก็นั่งคุยกันอยู่ไอ้ในในข้างนอกในปราศาสตร์เต่นนกหัดเจดีลิยงมันบินมาจากท้องฟ้าใช่พอเห็นเข้าไปมันว่าชิ้นเนื้อใช่ไหมเพราะผมผ้ากำพลสีแดงเนี่ยนกหัดเจดีเลีงกับหบปีวมันโฉบลงมา มาเอมาจะมาเอมาเอาชิ้นเนื้อนะ่ะนะทีนี้พระเจ้าอุเทนที่นั่งคุยกระโดดขเเยงหนีทั้งที่จะช่วยช่วยเมียของนั่นเถอะในทั้งที่จะช่วยอากรวมเฮสีช่วยแม่บ้านกระโดดแยงเข้าไปหาที่หลบของนั่นเถินกขัจะดีเรนนะขยุ่มขยุ่มได้ชิ้นเนื้อนะ่ะที่เป็นที่ผ้ากำพลหุ้มตัวเองนะ่ยสีแดงนะ่ยพอขยุ่มอยู่ในอุ้งมือพน พอนางพอจุ้มมันบินเลยสิบินเข้าไปมันไปป่าป่าหิมอพานเนี่ะพอมันบินไปเนนางคนนี้ก็อัคคเมษีมีสติโอถ้าหากว่าเราจะร้องโวยวายเนี่ ย, ยมันอาจจะวางเราอาจจะตกลงมาจากอากาศถึงตายได้เอาเถอะเราจะต้องอดกั้นเพราะนายนางก็เลยอดกั้นไม่ร้องพอนกตัวนี้ก็บิดบินบิ น, บ น, บนไปถึงป่าไปเห็น ต้นงิ้วใหญ่ที่มันเคยกินอาหารน่ยที่มันเคยเก่อนะ่ะมันไปที่นี่มันก็เลยวางวางชีดเนื้อนะ่ะคนก็นเลยไปอยู่ในง่าโครบไม้พอทางปลอดภยัยนางก็เลยตะโกนนะเออร้องอย่างเสียงเออเสียงมนุษย์ขึ้นมานองฮัดนกฮัทจะดีเลี้ยงมันก็ ก, กลัวมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมพอได้ยินเสียงยเปิดบินออกเหมือนกันแต่นี่นางอคคะมเหสีเนะี่ยท้องใหญ่ลเลยแปดเก้าเดือนแลยทีนี้พอ นกพัดเสด็เรียงไปในพ่อตกตอนเย็นนางนก็คลอดลูกบาด เ, เออพอลอกลูกก็ฝนโตเอต่างหากพอในสุดนางก็เลยอยู่ในอยู่ในต้นต้นไม้ใหญ่ต้นงิ้วใหญ่ด้วยนะอทั้งคืนเลยพอจวนสว่างอันนี้มาในพระไตรพิธกเนหลวงพ่อพูดฟังหรือเอาพระไตรพิธกมาพูดให้ฟังเนาะนกพัดเสดีเรีงเป็นมาอย่างไงนะแต่เนี้ก็ นางนั้นก็อยู่ในอยู่อยู่ในนั้นนะ่ะแต่ในวันนั้นนะ่ะมันหนาวนะลือสีอยู่ในป่านตามปกติรือสีอยู่ในป่านี่ท่านก็ไปหาผลละมากรากไม้เง่าบัวบ้างเผือกมันบ้างใบหมากเม่าบ้างมากินแต่วันนั้นลือสีนี่ก็ไม่รู้จะไปหากินอะไรมันหนาวเหนนตเอตามปกติเนี่ยนกหัดจะดีลิงเนะี่ยมาเกาะ อ, อยู่ต้นไม้ตรวนี้เนะี่ย บางปีกักระดูกหมูบังกระดูกวางกระดูกแก้งกระดูกอะไรที่มันหล่นออมาจากต้นไม้นั่นลือศีนี่ก็ไปก็ไปเห็นกระดูกของมันสัตว์แล้วก็มากระทบกระดูกแตกแล้วก็เอามาต้มกินน้ําของมันอันนี้คืออาหารลือีเหมือนกนเถอะอกินกับผลลำหมากรากไม้แต่ในลือศีวันนั้นก็เลยเดินไปไ ป, ไปเพื่อจะได้อาหารพวกกระดูกสัตว์ที่นกหัดจีดีลิงกินนั่นแหะ พอไปถึงใต้โคนตัวไม้กำลังหาเก็บอยู่ได้ยินเสียงเด็กมันร้องให้อยู่ในบนยอดไม้นะี่เสกเสียงอ๋อมันเสียงโคนนะเนี่ยดูสีเนี่ยเราบอกอ้าวข้าอยู่ข้างบนนางอัคคมเหสีบอกว่าข่าข่าอยู่ข้างบนอ้าวลงมาได้ไหมเดี๋ยวจะขึ้นไปรับจะขึ้นไปเอาทางนางอัคคมเหสีบอกว่าฉันเป็นกษัตริย์นะ ฉันเป็นกษัตริย์เธอเป็นใครอย่าขึ้นมาแตะต้องฉันไม่ได้นะคือคนทางทางอินเดียเขาถือวันณะสี่ใช่ไหมล่ะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่นะเดี๋ยวนี้เขาก็ยังถือกันอยู่นะคนอินเดียนะ่ยเขาถือถือถือวันณะสีนะ่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอันนี้นางเป็นกษัตริย์เลฉันเป็นกษัตริย์ท่านเป็นใครขึ้นมาไม่ได้ ไม่เหะแต่ต้องฉันเ ด, ดเด็ดขาด เ, ออเขาว่ายอมตายอะไรงงานเถิดคือจะไม่ใหออ้พวกสูตรและพวกแพทย์เข้ามาหรือพราหมณนะ์มาแต่ต้องร่างกายตัวเองได้เพราะตัวเองเป็นเชื้อกษัตริย์ทางฤาษีนี่ก็บอกว่าข้าเป็นกษัตริย์เหมือนกันอยู่คลองเมืองนั้นออนางนี่ก็บอกว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์จริงท่านแสดงมายาของกษัตริย์ให้ดูซิคงจะมีมายาหนึ่งมากมายากษัตริบางงานเถิด ทีนี้ลือศีนั่นก็เลยแสดงมายากษัตริย์ให้ดูพอแดงกระสัรนางก็ เ, เออเข้าใจอืมใช่เป็นกษัตริย์จริงถ้าเล่กนชั้นเชิงนี่กษัตริย์ท่านั้นจึงจะรู้ไดออ้จากนั้นนางก็ เ, เอาขึ้นมาได้ก็เลยขึ้นมาเขาเลยเอาลูกชายลงไปนางคนนี้ก็าพยายามลงไปไปสู่ข้างล่างออจากนั้นก็ได้ไปลือีเขเลี้ยงออในฐานะออลูกหลาน ต่อมาก็นี่แหละพญาอุเทนเนี่ก็เมื่อต่อมาใช่ไหมฤษีคนนี้น่ะท่านเป็นผู้รู้ดวงดาวดวงดาวในท้องฟ้าท่านก็มองขึ้นไปเห็นทองฟ้าเออพญาอุเทนพ่อของเด็กหนุ่มเนี่ยชื่ออุเทนมั้งกันนะตายแล้วงั้นก็เลยมาพูดให้ใหอัคคะมิเหษศีฟังว่ายพญยาอุเทนให้ตายแล้วนะ ทําไมท่านอิจฉาเขาเหลอไม่ใช่เราดูในท้องฟ้าดวงดาวมันบอกความวิบัติของแต่ละคนมันอยู่ในท้องฟ้าดาวในหัวเมืองต่างๆเหมือนถ้าอย่างนั้นก็ควรจะเอาลูกชายเนี่ยไปของราชสมบัติท้งแม่ก็เลยมาสั่งลูกชายว่าโลกแม่มาจากชั้นปัสสาทะเจชั้นนะะแม่นี่มีผ้ากํำพลผืนหนึ่งแล้วก็มีธรรมะลง คือแหวนน่แหวนในวงหนึ่งเพราะว่าในขณะที่นั่งอยู่กับพระบิดาของเจ้านะแน่ม่อได้ถอดถอดแหวนจากมือของพระบิดาคือพ่อของเจ้ามาสวมมาสวมใส่มาสวมใส่สสนิ้วของของแม่ใครเข้า่าถอดแล้วก็สวมดูมันเป็นยังไงละะักษณะพอดีในช่วงนั้นนกัจติเลีลิงมาเอาพอดีเพราะนั้นเวลาโลกไปถึงเมือง อ, อุดเชนีแล้วนะ่ะ ให้แสดงของสองอย่างนี่นะให้กับพวกผู้ใหญ่พวกคณะองค์ขมันตีทั้งหลายให้เขาเรารู้ว่านี่คือฉันผมเนี่ย เ, เป็นลูกของอคคะมเหสีของพระเจ้าอุเทนที่นกหัตถีลิงโชบไปในคราวนั้นผมเน่เป็นลูกของท่านนี่เครื่องหมายก็คือนี่ผ้ากำพลผืนนี้และกรรมมาลงวงนี้แสดงให้เขาเขารู้เขาจะรู้ได้โอ้ใช่ ลูกจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปแม่สั่งจากนั้นทางพระเจ้าเท น, เนก็ไปตามที่พระฤาษีสั่งไปถึงเมืองก็เลยแสดงตนให้ปรากฏก็ได้เป็นได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละคือความเป็นมาของนกนกหันจดีลิงมีว่างั้นเถอะตัวใหญ่พอสมควรขนาดขายุมเอาคนไปทั้งคนได้ในพระไตรปิฎกนะ แต่รูปร่างลักษณะท่านก็ไม่ได้บรรยายว่าเป็นรูปลักษณะอย่างไรแต่หลวงพ่อก็มาเห็นอยู่ที่เมนหลวงปู่จามเนี่ยงั้นหวัวเป็นช้างแล้วก็มีงวงแล้วก็มีงาอีกต่างหากเหางันเถิแต่ตัวปัดเป็นนกป่ะนี่ตีนก็เป็นนกเอาลนะนัที่นี่นะพรปีใหม่นะคณะสัตยาดโยมลูกหลานทุกคนนะแต่ว่าถึงอย่างไรให้พวกเรามีความตั้งใจมั่น มีความมั่นคงใน จ, ใจิตใจเพราะทุกวันนี้อย่างที่พวกเราเห็นนี่นะไม่รู้เรื่องอะไรต่อไม่อะไรแต่ถื อ, อยังไงให้พวกเราทุกคน อ, อ, อยู่ในสติอยู่ในปัญญาอยู่ในความรอบคอบให้เป็นผู้ซื่อสัตย์สุดจริตต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะให้เป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อชาติให้รักเคารพในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้เป็นผู้ซื่อตรงซื่อสัตย์พระมหากษัตริย์เป็นผู้ครองประเทศชาติพานานเท่าไหร่ชาติของเราคืออะไรพระพุทธศาสนาเป็นคู่กับเมืองไทยกับบรรพบุรุษของเรานานสักเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องบรรยายแต่ในครั้งพุทธกาลหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังว่าพระในครั้งพุทธกาลพระกณนตพระภิกษุสงฆนะ์เนี่ยลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยมีไหมแตแตกแยกกันทะเลาะกัน อย่างเนี่ยนะอย่างทุกวันนี่อย่างที่อยู่ในกรุงเทพเนี่พระก็มีนะศรัท ธ, ธาญาติโยมโลกลานถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกเราก็คงจะไม่รู้เหมือนกันว่าพระแตกกันยังไงฮะเพระพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะสมัยนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่กรุงโกสัมพีโกสัมพีเมืองเป็นเมืองหนึ่งของในอินเดียนะนทีนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์พันกว่ารูปอยู่ด้วยกันแต่พระภิกษุสงฆ์ พันกว่ารูปนี่เป็นสองฝ่ายคล้ายๆว่าพวกที่สนใจเรียนกฎหมายคือเรียนกฎระเบียบเกียเก่ยวกับวิทย์ในเรืร่อวิทย์ในคือกฎหมายคือกฎระเบียบการปกครองสงฆ์แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ ว, ว่าวินัย์ในมกระถ์ท ร, รมกระถ์นั่นคือพวกแนะนําสั่งสอนเรื่องสมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้การคลองชีพอย่างนี้การดารงชีพของพระสงฆ์อย่างนี้ สรุปแล้วก็คือไปสองทางคือการปกครองและก็ทางด้านจิตใจในกลุ่มพระสงฆ์ในกลุงโกสัมพีนั่นะต่อมาที่พระสงฆ์สององค์สองคณอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะเป็นลรคศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะแต่วันหนึ่งพระที่เป็นธรรมกรถึกเนี่เข้าไปในห้องน้ำเข้าไปในส้วมเป็นห้องน้า ไปก็เลยไปตักน้ําชําระตัวเองเมื่อทํำถ่ายเสร็จแล้วนะก็ล้างตัวเองแล้วก็ขังน้นําไว้ในกระบอกในในกระบอกแต่ในพระวินัยทรเนี่ยเข้าไปพระรักษาวิทยในเนี่ยเข้าไปไปเห็นน้ําในกระบอกนั่นนี่เอ๊ะพระธรรมกะถึกเนี่ยทำไม่ถูกแล้วนี่พราะพระเจ้าบัญญัติว่าภิกษุใดก็ตามเข้ามาใช้ห้องน้ําเมื่อตักน้ําแล้ว ออกมาชำระตัวเองแล้วต้องคว่ำขันไว้ถ้าหากว่าขังน้ําในกระบอกปรับอวบัดทุกกฎอ่าผิดสินข้อหนึ่งแค่ว่าองค์ที่เข้าไปที่สองเอ๊ะน้ําเนี่ยสกรปรกหรือเปล่าวะทําไมขังน้ําไว้เนี่ยมีอะไรตกอขององค์นั้นตกสินอยู่ในนี้หรือเปล่าเป็นที่ลังเกียดขององค์ที่เขาไปข้างหลัง เ, เห็นไหมพระวินัยของพุทธิย่อละเอียดถึงขนาดนั้นนะเวลาตัวใช้เสร็จแล้วก็ต้องคว่ําขัน ทีนี้ก็พระธรรมกระถึกเนี่ยพอใช้เสร็จแล้วพระท่านก็ไม่ได้ค้อมขวนเพราะท่านยังไม่รู้วินัยเพราะพระพูพ้ใหญเจ้าบัญญัติผู้วินัยทอนเขารู้จักว่าผิดกฎผิดก ฎ, ดกฎหมายละผิดกฎกติกาแล้วแต่ใ้พระวินัยทอนก็เข้าออไปก็ไ ป, ไปเห็นน้ําขังเอออาจารย์ธรรมกระถึกเนี่ยโกงไม่รู้วินัยตัวนี้ละมั่งเลยออกมาออกมาเลยท่านอาจารย์ครับอท่านอาจารย์ทําไมขังน้ํำในกระบอกขังน้ําไว้ในขัน พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าปรับอบัตดทุกโกรนะเออพิชูไดก็ตามขังน้ําไวในขันนี่ปรับอบัติทุกโกรทางธรรมกระถิกเนี่ยว่าโออาจารย์ครับผมไม่รู้ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเออโอใช่พระธรรมพระวินัยทรก็วอกใช่อันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วครับอาจารย์ต่อไปท่านอาจารย์อย่าทํานะครับถ้าท่านอาจารย์ไม่รู้ไม่เป็นอบัติเพราะไม่รู้ในเมื่อไม่รู้ไม่เป็นอวบัติ แต่เมื่อรู้แล้วอย่างนี้ท่าคืนทําต่อไปเป็นอาบัติครับเออใช่ผมจะไม่ทําอีกนะอันนี้ก็ยอมรับกันน่ยสองสอ ง, สององค์พูดกันแล้วกันคณาจารย์แต่คานจารย์พูดกันแต่ตอนนี้องค์วินัยทอเนี่ยมาพูดให้ลูกน้องตัวเองฟังทีนี่อยากจะได้หน้าลักษณะอย่างนั้นแหละก็บอกโอ้หลวงพ่อทํามักระเถึกเนี่ยเข้าไปห้องน้งนาําตัวเองเป็นอาบัติก็ไม่รู้ว่าตัเองเป็นอาบัติเราได้ไปบอกก็นะเออ จึงรู้ว่าเป็นอาบัตนั่นแหละไม่ไีศึกษาม่แต่ศึกษาธรรมไม่รู้ศึกษาวินัยเลยเป็นอาบัตก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัตทนันี้ลูกน้องไปในยทยธรนี่ยก็ไปพูดให้ลูกน้องทำรรมักระเถือกฟังทีนี้ทีนี้เรากดจะทะเลาะกันนะบอกว่านี่แหละอาจารย์ของท่านนะผิดวินัยนะไปขังน้ําไปในกระบอกเป็นอาบัตทุกกฎทางอาจารย์ทำมักระเถือกบอกว่าอ้าว เป็นยังไงเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าบอกกับอาจารย์พินัยทรแล้วว่าผมไม่รู้ในเมื่อไม่รู้กับท่านก็บอกว่าไม่เป็นอาบัติผมก็ไม่เป็นอาบัติทําไมจึงว่าพินัยทรเนี่ยทําไมพูดกลับไปกลับมาอย่างนี้วะแสดงว่าพระพินัยทรเนี่ยพูดสับปลับพูดโกหกเป็นอาบัติปาจิตติน <c oughs> <c oughs> ะพ่อพูดไปอยู่กระล่องกระลอยคืออาจารย์อาจารย์อาจารย์ทำมกระถึกใส่อาจารย์ วินัยถอนว่าเป็นอาบัติปายิตีข้อหาหนักกว่าเอ า, อางนันเถอะข้อหาหนักกว่าที่นี่ก็สองคณาจารย์ก็พอน่ก็กตั้งป้อมสู้กันลเลยทีนี่ต่างวิน์่างลูกศิษย์เป็นคนละห0 0รใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นประธานสงฆ์ที่โกสัมผีเอิโยตพวกท่านทั้งหลายอย่าทะเลาะกันของเพื่องเล็กน้อยเท่านั้นให้เข้ากันซะอย่าไปทะเลาะกันพวกสอ ง, อ ง, งนะขอพระองค์ยง จงอยู่พระเกษมสํารานพวกข้าพระองค์จะข้ามผานกันด้วยวาทะคนไวเออจะข้ามขันกันด้วยวาทะขอพระองค์ยุ่งอยู่ด้วยพระเกษมสํารานในเมื่อโรคทะเลาะกันอยู่จะพระเกษมสํารานได้ยังไงใช่ไหมเออพราะโรคทะเลาะกันอยู่เนี่ยพ่อจะอยู่ด้วยพระเกษมสํารานได้ยังไงใช่มเพราะพระพุทธเจ้าห้ามทีหนึ่งที่สองที่สามไม่ฟัง พ, พระพุทธเจา้าอหนีนั่นแหะพราะพรุทธเจ้าหนีได้นี่หนีจากสงฆ์ ข้อนี้ไปเด็พวกเราไปเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าเป็นนั่งยอนเป้าบาดตรงนี้แหละก็มีลิงก็มีช้างนั่นแหละนี่แหละปีนั้นแหละพระพุทธเจ้าหนีจากพระสงฆ์โกสัมพีนั่นะไปอยู่องค์เดียวในประวัตินะพระองค์ไปนั่งไปอยู่ในป่าองค์เดียวป่าเลไลมีช้างกับลิงมาปฏิบัติพระนนท์เขาไม่เอาไปด้วยนะพะเอาพระนนท์ไปด้วยเดี๋ยวพระอนนท์ก็จะเป็นเป็นผู้นําพระสงฆ์กลุ่มนี้อีกพวกองมองมองอนาคตแล้วแต่นี้พระพระองค์หนีไปที่ไหน เพราะนี้ไปท่านนั่นบอพวกชาวบ้านเขาบอกว่าพระโมนีหัวเด้อพระพันก็องค์นี่ขนาดพ่อห้ามไม่ฟังพระพุทธเจ้าห้ามไม่ฟังเอจนถึงกับพระพุทธเจ้าหนีออกจากวัดพวกเราจะใส่บาตรให้ฉันพระโมนีมาเนี่ะจากนั้นชาวบ้านเขาเลยไม่ใส่บาตรให้ฉันบาตรนี่พระไปเป็นบาทไม่ได้ฉันอาหารใช่ไหโอ้ยสองสามวันเท่านั้นแ่ะ เออจับซิกแฮนกันเลยทีนี่เเอเออพวกเราจะไม่ทะเลาะกันพวกเราจะถูกกันแล้วทีนี่เพราะท่านพระก็เลยสองฝ่ายก็เลยไม่ถือโทษโกรธเคืองกันไม่หาว่าองค์ไหนผิดองค์ไหนถูกวกั้นเถอะถูกกันก็ไปประ ก, กาศให้เอศรัทธาญาติโยมพวกอาตมาถูกกันแล้วอพวกญาติโยมจะทําบุญกระทำเดี๋ยวออกพรรษาแล้วพวกอาตมาจะไปกราบพระพุทธเจ้าไปขออภัยยโทษจากพระพุทธเจ้า อาตมายอมกันแล้วศรัทธาญาติโยมไม่ศรัทธาญาติโยมเขาจึงได้ใส่บาทให้ฉันเหมือนกันเลยนี่แหละหลวงพ่อว่าเนี่ยเมืองไทยของเราก็เหมือนกันน่ะถ้ามันทะเลาะกันอย่างนี้แหะหลวงพ่อคว่ำบาตทั้งสองข้างอะไรอย่างนันแต่ถ้าบอกกันได้แต่นี้มันบอกไม่ได้มันหลายคนใช่ไหมล่ะเอออ้นี้มันมันถอยไม่ได้ทนี้พวกหนึ่งถือหางแดงพูกหนึ่งถือหางเหลืองเน่ยเหมือนมันก็เลยกัดกันที่เทีนไหมเออ มันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยแต่ถ้าหว่าต่างคนพวกเราเอความบาดจะไม่ถือหางให้ใครถ้าใครก็ตามคิดไม่ดีเนี่ยคิดชั่วคิดไม่ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพาดมหากษร์ศัลย์แล้วไม่ถือหางทั้งนั้นถ้าพวกเราคิดได้อย่างนั้นนะก็เหมือนกับชาวบ้านไม่ใส่บาดให้พระสงฆ์ฉันเนะีเอออันนี้กรมบัญการพวกเราไม่ถือหางนักการเมืองมันมาเราก็ไม่ใส่เราก็ไม่ป้อนบัตรให้ใช่ไหม เอาเลยสิมันจะไปได้แล้วใช่ไหมเพราะมันไม่ดีใช่ไหมอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสิพวกเรามันถือหางข้างใดถือหางข้างหนึ่งมันก็เลยมัวเมียกันอยู่อย่างทุกวันนี้แหละนี่แหละพระในครั้งพุ้ดำเนกผิดทะเลาะกันนะชัทชายาโยมขนาดพูดที่จะละกิเลสแท้ๆยังทะเลาะกันได้เพียงแค่นั้นเรื่องทิฏฐิมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันทิฏฐิมานะถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่นหนึ่ง ในข่าวนั้นล่ะพระพุทธเจ้าหนีหนีออกจากเมืองโกสัมพีแล้วท่านีท่านก็เดินทางไปไปในระหว่างทางเนี่ยก็มีพระอนุรุทธะกิมพริวัคคุพัฏถยะที่เป็นเสื้อพระวงศ์ของพระพุทธเจ้าที่มาจากกรุงกบิลพัทน่ยพระอนุรุทธะเนี่ยก็คือเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจา้าคื อ, อพ่อของพระ อ, อนนน์ก็เป็นน้องของ น้องพ่อของพระพุทธเจ้าพระบิดาของพรนะุทธเจ้านะพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นน้องเอกเพราะท่านมีพี่น้องอยู่3าสี่คน เ, เจากนั้นท่านก็เลยเดินออกไปเดินไปพักที่ป่าเลไลนะท่านก็ไปพบพระสามสี่องค์ที่เป็นเชื้อพระวง์กรุงกั บ, บิลพัฒนะ์พระองค์ก็เลยแวะเข้าไปไปเยี่ยมไปเยี่ยมพระสามสี่องค์มีพระอนุรธธุทธะกิมพริวัคคุพัทธิยะ เ, เป็นเชื้อพระวง์ องก็เข้าไปแวะเออไปไง่ายพวกท่านสุกเกษมสาราญอยู่เหรอพระเจ้าค่ะเพราะว่าท่านเป็นพระหรหัสทั้งหมดทั้งสี่องคอ์อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยเกษมสาราญมีความสุขทุกอย่างครับผมมีความพร้อมเพียงสมัครีดทุกอย่างครับผมพระองค์บอกว่าโอ้พวกท่านทั้งหลายนี่เราหนีออกมาจากโกสำพีนี่พระทะเลาะกันพระเป็นพันก็รูปเราห้ามก็ไม่ฟังทะเลาะกัน นี่แหละไอ้เครื่องการทะเลาะกันเนี่ยนะมันเป็นหนทางแห่งความจิบหายมันมีแล้วในอดีตการเนี่ยนี่แหละมันทะเลาะกันเนี่ยมันเคยมีมาแล้วจิบหายทั้งสองฝ่ายพระองค์พูดเพียงแค่นั้นท่านก็หยุดพระอนุรทธากิมพละฤวคูพัทธิยาคเลยสมัยไหนพระเจ้าข่าที่พระพุทธองค์ปาลบว่ามันทะเลาะกันน่ะมันจิบหายทั้งสองฝ่ายมันด้วยเหตุอันใดพระเจ้าข่าเนี่ยพระพุทธองค์ ขมวดเงื่อนไว้หนอยหนึ่งพระ น, นี้ก็ถามพวกเธออยากจะฟังเหรออยากจะฟังพระเจ้าข่านสมัยหนึ่งมีนกกระจาบฝูงหนึ่งหากินอยู่ในชายป่าชายทุ่งมีนกเป็นฝูงใหญ่เป็นหลายพันตัวแต่ก็มีหัวหน้าอยู่ตัวหนึ่งแต่นกเหล่านั้นก็เคารพในหัวหน้าพอหัวหน้าพาไปที่ไหนก็นเอาป้ายบินนกหัวหน้าก็บินเอหัวหน้าพาบิน แล้วก็ลงไปท้องนาลงชายทุ่งลงลานหญ้าเออก็ลงไปพอต่อมาเท่นี่มีน้องมีนกร้องหัวหน้าเท่นี่เออคล้ายๆกับว่ า, าหาเรื่องหัวหน้าเออหัวหน้าเนี<ฮ>่ยหัวหน้าเนี่ยเห็นแก่ตัวมากเห็นไหมลนะ่ะเออพอบิยดลงไปแล้วตัวกินตัวเองลงไปก่อนกินก่อนอิ่มก่อนแล้วก็ให้ไม่ให้เวลาลูกน้องเลย พอพวกเราลงไปก็เนี่ยนะเบนขึ้นมาแล้วเอาไปมากับพวกนี้กับโมโหกับเยียบเหยียบหลังกันบ้างก็โมโหให้กันทะเลาะกันนกทั้งหลายก็เลยแตกแยกกันเลยลองหัวหน้ากับหัวหน้าเป็นสองพวกเนี่ยเพราะว่าความไม่ลงรอยกันเพราะมันหาเรื่องมันหาเรื่องใส่กันเนี่ยก็เห็นโทษกันะคนหนึ่งก็เห็นโทษทางหนึ่งก็เดินให้โทษเนี่ยเพราะนกฝูงใหญ่ตอนนั้นกับ เป็นแตกเป็นสองฝูงเถอะนี่ยคือตามปกติพลานนกทางหลายแหล่ะเขาจะมีตาข่ายฮชตาข่ายดักนกนะเวลานกลงไปบินมันจะตาข่ายมันจึงครอบอย่างนั้นนะฮ อ, อพอครอบเสร็จแล้วเนี่ยนกหัวหน้าเนี่ยที่เป็นหัวหน้าฝูงเนี่ยสั่งลูกน้องเลยนะสั่งตัวเดียวอา้าวพวกเราบินพวกนวกทางหลายกับบินพับขึ้นไปเลยต่างตัวต่างบินใช่ไหมมันพร้อมกันเหอะน ตาขายที่มันคลอมนี่พุดขึ้นไปไปก็ไปเทิงหย่น บ, นบนบนยอดไม้คนน่ะอจากนั้นก็นกต่างตัวต่างหลบหนีแปลว่าตาขายของนายพานี่หมดไปหลายหลายตาขายเหมือนกันเถอะกับนกฟงเน่เนี่นออพอต่อมานกฟงเน่เธนี้มันแตกกันเป็นสองพวกเธนี่ยพอลงไปจะได้ตาขายมันกับอีอย่างเก่าเหมืนกันพอตาพอมันฟุบกุ้งม้ หัวหน้าก็สั่งว่าเอ้าบินพอบินมันบินกัไอ้พวกที่รองหัวหน้าพวกเราไม่ต้องบินไอ้ใครเก่งบินไปพวกเราไม่ต้องบินรองหัวหน้าสั่งไม่ให้ลูกน้องบินลูกน้องเชื่อเชื่อหัวหน้าตัวเองไอ้หัวหน้าใหญ่มันก็พาบินบินมันก็ไม่ขึ้นกําลังไม่พอใช่ไหมล่ะบินไม่พอท่านพอเนี่ยก็เหนื่อยเยพอเหนื่อยพวกรองหัวหน้าเอ้ยพวกก่อนไม่ได้เรื่องเอาพวกเราบิน ไอ้พวกที่สองนี่ก็ลองหัวหน้าเลยมันก็บินไม่ขึ้นอีกเพราะกําลังไม่พอใช่ไหมเอามันบินไม่ขึ้นเพราะบินไม่ขึ้นกับพอดีกับพรานนกเขมาพอดีพอดีท่นี่มาเขาก็รวบเออตีนตาขายเข้ามาหากันแล้วก่นแสววายเขาก็หวดหวดหวดหวดเลยนกเหล่านั้นก็เลยเตายหมดท่นี่ผพในสุดนายพานก็เลยถอนขนเอาลงก็ะทะทอด เป็นอาหารอริดอร่อยของในายพานทั้งฝูงเลยนี่แหละพระพุทธองค์บอกว่าการแตกแยกสามัคคีกันเป็นหนทางแห่งความเิบหายอย่างนกกระจาบฝูงนั้นแหละไม่มีใครเก่งกว่ากันเพราะฉนั้นอย่าอย่ายินดีในการทะเลาะวิวาทกันให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันจะดีกว่านนี้แหละพระพุทธองค์ท่านบอกท่านตรัสไว้นะแต่จากนั้นท่านก็พูดไปอีกและกัการพยาบาทอาฆาตจองเวียนกันนะ่ะ มันไม่เป็นผลดีเป็นหนทางแห่งความจีบหายอีกเหมือนกันพูดในในเดียวกันนะในวันเดียวกันในช่วงเดียวกันในพระสง์สีส่องค์ในนั้นลหละพระอนุรุท ธ, ธากระถามว่าสมัยไหนพระเจาา้าค่ะที่ว่าคนอาฆาตคนพยาบาทกันแล้วนะ่ะเป็นหนทางแห่งความจีบหายพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งออมีหมีตัวหนึ่งไปอยู่ในป่าดงแห่งหนึ่งหมีใหญ่ตัวนั้น ไปหากิ่เวลากลางคืนพอจวนสว่างมาแล้วก็หาที่นอนไปเห็นไม้สะขคต้นหนึ่งแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้ไม้ร่มไม้สะขคต้นหนึ่งพอกำลังจะนอนหลับกิ่งไม้สะขคกิ่งแห้งมันก็เลยหล่นลงมาหักลงมาเงถูกหัวหมีพอดีเออหมีก็เลยโอ้กำลังจะนอนหลับเขิมเขิมกิ่งไม้ขอโดนหัว เจ็บอย่างมากเลยหมีจะได้ก็เลยลรกหัวเมียขึ้นมาโอ้เออเอาเถอะข้ามีโอกาสเมื่อไรข้าจะโค่นไม้ะอตะคอร์ต้นนี้เด็ดขาดนะหมีก็เลยเดินออกมาตุวมเตี้ยมด้วยความโมโหนะ เ, เดินออกมาจากโคนไม้ตะเคอไม้ตะเคอรนะ์พอเดินเสร็จแล้วออกมาก็มานอนที่อื่นพอนอนที่อื่นอพอนั่นแหละตอนสายสายมาถึนี่ มีพวกช่งางพวกช่างเข้าไปในในหมู่บ้านในเมืองนะเขาจะไปหาแอกเรื่องงอนรถ เ, เขาจะไปหางอนรถไปหาแกนะอกรถเพราะว่ามันของเขาหักเขาก็เข้าไปในป่าเพื่อจะไปหาแอกแอกงอนรถนะเขาก็เดินไปด้วยเครื่องทรัทพย์ธรรมพละมีเลื่อยมีขวานมีมีดมีของของเขานะี่ยตอนนี้ก็เดินเข้าไปในป่าหมีก็เห็นเห็นะ มีเห็นได้กหมีก็เลยเดินเข้าไปถามว่าพวกท่านเข้ามาอะไรห ม, มีเขถามเขาเบอกม า, มาหาอยากจะได้ไม้งอนลถแอกลถหมีก็บอกว่าไม้อยู่ในป่านี่เราเที่ยวมาในป่าตรงพงไพรเนี่ไม่มีไม้อันไหนที่จะแข็งแกร่งยิ่งกว่าไม้สะคอนะฮะเพราะนั้นน่ยพวกท่านอยากจะได้ไม้ที่แข็งแกร่งไม้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวข้าจะพาไปดู หมีก็เลยพาไปกับไปชี้ให้นี่แหละต้นนี้แหละเอ่อเอาเป็นแอกรถหอนรถดีที่สดุดเออพวกนกี้กับโอ้ใช่หมีพูดได้อีกต่างหากมันก็คงจะรู้ว่าไม้ดีไม้แข็งแต่นี่ก็พวกนี้ก็เลยวางทัพสมพะระพวกเลื่อยพวกขวานพวกขวานพวกอาหารการกินหลงร็ตแล้วก็เตรียมตัวโค่นนะทนนี้น และลูกขะเทวดาเนี่ยอยู่ในโคนอยู่ในต้นไม้สาขาต้นนั้นอ่ะเอคือเทวดาเนี่ยภูมะเทวดาเนี่ยเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยว่าภุมลูกขะเทวดาลูกขะคืออยู่ต้นต้นไม้ภูมะเทวดาคืออยู่ยในพื้นดินนะแต่เนี่ยเทวดาก็อยู่ในอยู่ในต้นต้นไม้เทวดาก็โกรธขึ้นมาเลยเธรรมดากิ่งไม้ทําไมหล่นลง ดงดินมันจะลงไปที่ไหนทําไมหมีจึงผูกอาคาตบ้านของข้าไปเจา้าให้ช่างมามาโค่นบ้านของข้าไปเจา้าเอาเถอะถ้าข้ามีโอกาสเมื่อไรข้าจะต้องฆ่าหมีตัวนี้ให้ได้เทวดาอยู่ต้นไม้สะคอน่ยก็รีบขนของออกหนีหนีออกมาจากบ้านของตัวเองจากนั้นพวกช่างไม้เนี่ยก็โค่นบ้านของเทวดาลงพอลงแล้วเขาก็มาถาก มาตัดให้ได้ได้ประมาณแล้วกัถากเสร็จเรียบร้อยแลวเขาก็เตรียมตัวจะกลับบ้านนะทใเทวดาจำแรงตัวให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาทนใเดินเข้ามามาหามาหาช่างโอ้ช่างทำอะไรโอกำลังทำแอกรถงอนรถเอ่อกำลังจะเสร็จแล้วจะกลับแล้วพวกสูเจ้าทั้งหลายอยากจะให้รถงามไหมรถสวยไหมเออ เอาเครื่องประดับให้มันสวยๆเลยดีไหมโอ้ก็ดีอยู่แล้วถ้าได้เอาอะไรละ่ะเอาอะไรประดับระท่านอา้าวจะไปยากอะไรเนี่หมีเน่ยเอาหนังหมีหุ้มดำมืมเลยสวยงามเด้่ยอา้าวจะหาหนังหมีที่ไหนอาจารย์เนี่เองไปช่างว่ะอ๋อจะไปยากอะไรเนี่ยหมีมันกาลังนอนหลับอยู่เนี่ยจ้องย่องไปเอาขวานสับหัวมันเลยเหาืันกันเสรแล้วก็ลอกหนังมันเสร็จแล้วก็เอาหนังมันไปหุ้มใส่หัวรถเลย เออมันรหนังหมีมันจะมีที่ไหนมันสวยงามเลยสิโอใชใ ช, ช, ช่ใๆไอ้ไอ้นี่ไอ้ช่างนี่ก็พอได้รับคำจากลูกขาเทวดากถือขวานไปกระย่องย่องไปกรสับหัวหมีแล้วงั้นเถอะพอสับหัวหมีเสร็จแล้วลวกัทลกหนังหมีกมัดใส่ไม้สะคอน่ก็เลยหามเข้ามาในบ้านเออเอามาเอามาเพื่อจะหุ้มหัวรถตัวเองเพราะว่าพ อ, พองค์บอกว่านี่แหละ ชาดกหรือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าหากว่ามีการผูกพยาบาทอาฆาตกันอยู่จิบหายทั้งสองฝ่ายไม่มีใครแพ้ใครชนะกันเพราะนั้นปลาทั้งหลายถึงท่านจึงบอกว่าอยาจองเวนเวนจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวนเจนเวนจะระงับไม่ได้เพราะจะมีการจองเวนกันอยู่ถ้ามีการจองเวรกันอยู่เวนนั้นจะไม่ระงับ เพราะนั่นพวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการจองเวรซึ่งกันละกันนี่แหละคือทมคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังเอานะลูกหลานนะคณะสัทธาญาติโยมนะหลวงพ่อเล่าเนีทานในี่ฟังสองเนีทานใช่ไหมเออเรื่องน่กเรื่องพระทะเลาะกันใช่ไหมเอาตอนนี้ไปประพรมน้ำพุทธมนต์วันนี้หายเสนียดจันลยวันนี้นะ